เวลาตีสของแต่ละวันทุกชีวิตในวัดป่าสุขโตก็เริ่มต้นดำเนินกิจวัตรของตนเองเหมือนเช่นเคย พ่สุกสงก็ออกบินดาบไปยังหมู่บ้านต่างๆกันตามปกติเหล่านักเรียนกรรมฐานหลายชีวิตต่างภาคเพียรฝึกฝนการสร้างความรู้สึกตัว ตามแนวทางที่หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนได้เพียรสอนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาให้ทุกคนพ้นทุกข์แต่เช้าวันนี้ไม่เหมือนทุกเช้าที่ผ่านมากล่าวก่อน5้านาฬิกาของวันเสาร์ที่23สิงหาคม2557 ในกุฏิหลังนี้หลวงพ่อคำเขียนได้ละสังขารไปอย่างสงบพร้อมกับธรรมะบทสุดท้ายที่ท่านแสดงให้เหล่าลูกศิษย์ได้ประจักษ์ชัดถึงอนุภาพความสำคัญของการเจริญสติที่ท่านเพียรสอนตลอดมากราบจดลมหายใจสุดท้ายของชีวิต เด็กของหลวงพ่อคําเขียนเริ่มต้นที่อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นจนเมื่ออายุย่างได้สิบขวบครอบครัวได้อพยพมาตั้งลกรากที่บ้านหนองแก่อําเภอแกล้งครอจังหวัดชัยภูมิวันเวลาในแต่ละวันของเด็กชายคําเขียนหมดไปกับการช่วยเหลือครอบครัวทํางานในท้องไร่ท้องนาและดูแลน้องๆจนแทบไม่เหลือเวลาเที่ยวเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆจนเมื่ออายุได้15ปีจึงมีโอกาสบวชเนนที่วัดหนองแก่ เพื่อศึกษาเล่าเรียนพอตายแตงแต่เขาในอายุได้จค่หกปีนี่แหละพอตายป้าแล้วก็มีพี่สายพนิละเลี้ยงนองเลี้ยงลงซอยพอซอยแม่ตามพอ่อเห็นมาเป็นเป็นได้หน่อยเลยครับเป็นสนใจเลี้ยงท้ำมะาตอนนึงมาบวชเลียนสอบสอบนักถ้ำโทษได้ลงพข้ามเขียนเนะี่ แต่เป็นเน่นพุทธวัตอันพ่อเนี่เป็นเป็นเด็กว่าท่านใดเขารงเรียนได้แต่พ่อจําได้วันเถอะจำได้ว่ามีมีพี่ไส้บวชโยวัดเที่ยวออกไปหาว่าเถอะเป็นเด็กน้อยเท่ากับว่ามีพอ่อเท่ากับนับถือเอาพี่ไส้เนี่เป็นพ่อเด้ความที่มีใจน้อม น, นําในธรรมมาตั้งแต่เด็กท่านจึงตั้งใจศึกษาและจดจําข้อธรรมต่างๆได้อย่างแม่นยํา แต่ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยจะดีนักหลังจากบวชเป็นสามเณรได้สองปีท่านต้องลาศิกขาเพื่อออกมาช่วยครอบครัวทำมาหากินต่อมาท่านได้เรียนคาถาอาคมทำน้ำมนต์ปัดกลางควานและไล่ผีเพื่อหวังเป็นที่พึ่งให้กับแม่และญาติพี่น้องเวลาเจ็บป่วยจนกลายเป็นหมอธรรมที่คนในหมู่บ้านยอมรับนับถือแม้จะมีอายุเพียง17ปีจากนั้น ท่านได้แต่งงานมีครอบครัวจนอายุย่างเข้าไว้ที่30ปีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตก็เกิดขึ้น พุทธศักราช 2,503 หลวงพ่อเทียนจิตตะสุโภวิปัสนาจารย์จากจังหวัดเลยได้เริ่มออกเผยแผ่ธรรมะอย่างจริงจังด้วยแนวการสอนที่เป็นแบบฉบับของตนเองแตกต่างไปจากแนวปฏิบัติส่วนใหญ่ที่มีในขณะนั้นแนวทางของหลวงพ่อเทียนไม่เน้นพิธีกรรมไม่เน้นการอ่านตำรา เวลานั่งสมาธิไม่ต้องหลับตาเดินจงกรมจะช้าหรือเร็วก็ได้แม้รูปแบบนี้จะสร้างความแปลกใจให้กับคนจำนวนไม่น้อยแต่กลับดึงดูดใจหลวงพ่อคำเขียนในเวลาต่อมาพุทธศักราช 2,510 หลวงพ่อคำเขียนซึ่งขณะนั้นยังเป็นค า, ารวาดเริ่มออกสแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อเรียนรู้แนวทางการทาสมาธิวิปัสสนา เมื่อได้ยินเรื่องราวของหลวงพ่อเทียนก็เกิดความสนใจประกอบกับหลวงพ่อบุญธรรมซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกำลังเรียนกรรมฐ า, านกับหลวงพ่อเทียนมาก่อนท่านจึงตัดสินใจเดินทางไปยังวัดป่าพุทธยานจังหวัดเลยโดยที่ท่านเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางครั้งสาคัญของชีวิต วิธีปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนท่านสอนให้ยกมือสร้างจังหวะและเดินจงกรมเน้นการรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวไม่ให้เข้าไปอยู่ในความสงบเฝ้าดูตัวเองทั้งทางกายและใจพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าทุกคน ให้มีสติกำหนดรู้ในอิเดี uclear, ยบทั้ง4ยืนก็ให้มีสติร oh ู้เดินก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นั่งก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นอนก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิเดียบทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่พอคู่เหยียดเคลื่อนไหว โดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าต่กําหนดรู้ว่าอย่างนั้นบัด น, นี้เราก็มาทํากันลองดูแต่ไม่มีในตําราก็ตามเราสร้างขึ้นมาเองอันนี้เราควรรู้สึกว่าท่านกําหนดให้รู้ว่าในอิทธิบทย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวนี่ก็เลยทําอย่างนี้ถึงไม่มีในตําราก็ตามนับรองว่ า, าพระพุทธสอนเรื่องนี้จึงเมื่อมาทําอย่างนี้ทําเพื่ออะไร ทำเพื่อให้รู้สึกตัวเรียกว่าสติคนระลึกได้ระลึกได้และจะเป็นอะไรทำให้เกิดปัญญาหลวงพ่อคำเขียนซึ่งเคยฝึกหัดมาแบบพุทโธมาก่อนแม้ช่วงแรกจะไม่ชอบแนวทางการสอนแบบนี้เท่าไรนักแต่หลังจากใช้เวลาศึกษาปฏิบัติไม่ถึงเดือนปัญญาญาณก็เกิดขึ้นจนตัดสินใจอุปสมบทที่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยเมื่อวันที่17ตุลาคม2510ด้วยเห็นว่า วิถีบรรพชิตจะเอื้อต่อการศึกษาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่โดยมีหลวงพ่อเทียนเป็นครูผู้เปลี่ยนชีวิตชีวิตความเป็นอยู่ช่วงแรกที่วัดป่าพุทธยานจังหวัดเลยเรียกเลยว่าค่อนข้างลำบากไม่มีแม้แต่กุฏิสำหรับจำวัดต้องนอนบนเตียงไม้ที่มีแค่ผ้าใบกันแดดกันฝน ไม่ก่อนไม่มีกระตีอยู่ดอกก็มีเตียงไปขอเตียงชาววัดในบ้านมาวางในป่าซื้อผ้าไปติกมามุงหลังคาจะยกเตียงมาอยู่ใกล้กับหลงพระเทียนจะเห็นวงพ่อเทียนจะนอนเวลาไหนจะตื่นเวลาไหนจะพยายามตื่นก่อนนอนหลังลวพ่อเทียนเอาอย่างดูซิ ขึ้นไปไปเจอพ่องของเคี้ยนนี่กันไปมือแรกขึ้นไปเจอแรกับพ่อไปกันในเที่ยวยางเบื้งปลาไปกันยามพระธันคำในไปเที่ยวเบื้งป่ายางเบื้องป่าไปเห็นพันยูในป่าพันนอนอยู่เตียงนอนอยู่เตียงนอนอยู่เตียงแต่พันยูขี่ว่านมุ่ง ขีวอนมุงนอนเอาเตียงไว้นี่นอนยืดตยเตียงไปช่วงไปเป็นกันไม่ไหมก็ ไ, ไ, ยไปยกมือไหวธรรมดาช่วง น, นั้นเป็นยิบตัดสบงเอาสบงมาขี่นิบขีว่อนมันก็เขียณจนจนะำได้ฉันมลยถามว่านิบขี่ว่อนนะฉันจำได้ยิบขี่วรอยอ เตียงโย่ห่มใหม่เอาดอกจีวรแล้วเป็นผู้มุ่งมุ่งแดดมุ่งน่นอนอยู่แต่หันฟังปฏิบัติพณีนั่นแท้ๆขยันที่เดินจมคมินี่จีวรเรียมมองล้ทางคนเดินจคมภูมันอยู่ในป่าโกโมอยู่ในโกโมโย่บนหันเป็นว่ามันมีที่ฝังศพของคนเขาข่ากันตายไปฟังศพหันไปได้ก็เอาเตียงไปนอนนั่ง แ เ, เดินจงผมอยู่หานเป็ น, เ ป, นเป็นคนที่หิ้งยันแทะนอพอคําเขียนหลวงพ่อเทียนสอนโดยการพูดให้ฟังและทําให้ดูตัวหลวงพ่อคําเขียนเองก็เพียรปฏิบัติอย่างมุ่งมัน่นจะเห็นได้จากทางเดินจงกรมที่พื้นเรียบเป็นมันหรือที่นั่งบนกุฏิที่เป็นรูปรอยนั่งมีอยู่วันหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่า ขณะกำลังนั่งสร้างจังหวะในกุฏิหลวงพ่อเทียนเดินมาหาและสนทนาด้วยสั้นๆหากแต่เป็นบทสนทนาที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งดังไงอยู่ปฏิวัดอยู่เห็นข้านอกไหนไม่เห็นเห็นข้างไหนไม่เห็นทำไมจึงเห็นข้างนอกต้องเปิดประตูออก พอาจก็บอกเอาเปิดประตูออกมาดูจริตัวแยกประตูออกพอจารก็บอกเห็อนข้างนอกไม่เห็นเห็นข้างหนไม่เห็นให้มันเป็นอย่างนี้อย่าปิดตัว<อ>ทุกอย่างอย่าปิดให้เปิดปเผยมันหลงก็อย่าปิดความหลงมันไม่หลงก็มีมันทุกก็อย่าปิดความไม่ทุกป้อมไม่ทุกก็มีให้เปิดออก ให้อยู่ตรงที่เป็นกลางเนี่ยมองข้างในก็เห็นมองข้างนอกก็เห็นเมื่อตัดสินใจปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียนท่านพบคําตอบที่เคยสงสัยและได้คําตอบที่กระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆคาถาอาคมเครื่องรางของขลังที่เคยเรียนมาท่านเริ่มเห็นว่าเป็นเรื่องสมมตุติพิธีรีตองต่างๆที่เคยยึดมั่นถือมั่นนั้นก็เริ่มวางได้จากนั้นมา ท่านก็ไม่สแสวงหาครูบาอาจารย์ไม่สแสวงหาวิธีปฏิบัติตามแนวทางอื่นอีกและออกช่วยเหลือหลวงพ่อเทียนเผยแผ่ธรรมไปในที่ต่างๆงานทำเป็นรูปแบบนี้ไม่ใช่หลวงพ่อคิดขึ้นมาหลวงพ่อเทียนทำมาตามครูอาจารย์ เรียนตามพ่อต่อตามครูสิทธิ์มีครูโ่าเถียนเรามาสอนพวกเราให้จังหวะที่หนึ่งหนึ่งเลยจังหวะนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ิบเอ็ดสองมสิบสี่ส <laughs> ิบห้าแจังวะละให้ลูกอยู่สิบห้าครั้งแต่ลวจังบะห่างกันถ้าทำชำนาญจะได้วินาทีละหนึ่งจังบะแรงงั้นเขียนไงก็ยเต็กเต็ก ปุทตตะกรา 2,518 หลวงพ่อเทียนได้รับนิมนต์จากท่านปัญญาณันทภิขุให้มาช่วยเผยแผ่ธรรมในกรุงเทพเป็นครั้งแรกที่วัดชนลประทานหลังสดิดจังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อคําเขียนก็ได้ติดตามมาจําพรรษาที่นั่นเช่นกันหลวงพ่อ ปัญญาทานทายอย่างใดหลวงพ่อเที่ยงไปกะิตโตหลวงพ่อจู้เสียหนาจะู้เสียหนาแล้วส่งส่ ง, ส, งส่งให้ไปจะขนาดจากวัดไม่เล่นเนี่ยส่งมาไปยวนตอนส่งไปก็เราว่ า, าเอาพระผู้ผูดภาษาไทายได้ไปน้ำเนี้กดีให้เป็นมูหลวงพ่อเที่ยงว่ า, าสิละฮาเจอนเจนึหลวงพ่อเที่ยงกว่าภาษากลางว่าท่านชัดถ้อยชัดคำเกิพระเฮ้า ไปนั่งแจกองคแน่จรงๆว่ามีหลายองค์เพราะว่าทั้งพี่กัพระหน่อยอยู่แล้วใครจะหลวงพ่อท่าเขียนไปตอนนั้นก็ว่าไอ้สอนกรรมฐานซอยหลวงพ่อเทียนหอกเพราะว่ายังเป็นพระผู้หน่อยอยู่เพียงแต่แนะนําเรื่องภาษานี่แหละให้คนรลู้แจกน้ำบ้างต่อมาหลวงพ่อเทียนและเหล่าลูกศิษย์ได้ร่วมกันบูรณะวัดสนามใน ที่เคยถูกทิ้งร้างให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นที่เผยแผ่ธรรมในกรุงเทพหลวงพ่อคำเขียนก็ได้อยู่ร่วมช่วยงานปรับปรุงวัดครั้งนี้ตลอดจนร่วมกับหลวงพ่อเทียนในการสอนธรรมซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แนวคำสอนของหลวงพ่อเทียนเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมเมืองโดยเฉพาะกับกลุ่มปัญญาชนคนรุ่นใหม่ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งใกล้เวลาเข้าพรรษาปี2519ท่านจึงได้ลาหลวงพ่อเทียนไปจําพรรษาที่วัดป่าสุขโตอําเภอแก่งคร้อจังหวัดชัยภูมิแม้ว่าหลวงพ่อเทียนจะเสนอวัดอื่นให้ดูแลแต่ท่านก็ปฏิเสธและเลือกเดินทางมายังวัดป่าเล็กๆใจกลางพื้นป่าอนุรมสมบูรณ์บนเทือกเขาภูแลนคา ย้อนกลับไปเมื่อปี2512หลวงพ่อบุญธรรมญาติผู้พี่ของหลวงพ่อคำเขียนได้เดินทางจากิกมาอย่างเทือกเขาภูแลนคาและก่อตั้งวัดใหม่ขึ้นใช้ชื่อว่าวัดป่าเอราวัณซึ่งในยุคนั้นมีบ้านคนอยู่ไม่ถึง10บครัวเรือนสองพัหาสิบหาร้อยิบเิบิบมิบี่ิบิบ่มีหมู่ดิที่หลวงพ่ออยู่ป่าสูดโตนี่ อยู่ผู้เดียวโบมีนี่บม่บมีชีไปยืนทำดิทหารเรชิบเป็นตนมาวัดเอราวัณนี่ยเพราะว่าเขาเอิ่นโม่หัวสร้างสร้างตายกับหัวหัวโคโลยิหละแล้วก็มันเป็นป้ากระช่ายเลยขาเอื่นโม่จิ้งแข้งกับเอิ่นป้ากระช่ายนี่โม่สร้างกับเอื่นพ่อสร้างตายยุหันแบบนี้ในเมื่อสร้างตายหันเขาก็จะให้ใส่ซื้อวัดป้าเอราวัณให้ว่าเป็นสร้างสามหัวสามเลยใส่ซื้อว่าวัดป้าเอราวัณ พอเจริญข้าเจ้าจึงเปลี่ยนเบิ่ดแทวคู่มือมันมันเป็นวัดป่าอีวันม่นอยากใส่ชื่อว่าป่าสูโขโตเป็นท่างการก็ บ, บ่ได้หลงพ่อคําเขียนเคยขึ้นมาที่วัดป่าสุขโตครั้งแรกในปี2513และกลับมาอยู่ประจําร่วมกับหวงพ่อบุญธรรมอีกครั้งในปี2519แม้ว่าช่วงนั้นการเดินทางจะยังยากลําบากเส้นทางลาดชันความเป็นอยู่ค่อนข้างอัตคัดชาวบ้าน ยังมีฐานะยากจนแต่ท่านก็เห็นว่าบรรยากาศที่สงบสงัดและธรรมชาติบนป่าผืนนี้เหมาะแก่การเจริญภาวนาและสอนกรรมฐานเป็นอย่างยิ่งแต่ ก, ก, ต ก, ก, ตกีโอ้ยลำบากกินข้าวตะกับบักพพิกตะแดงละมันไม่ยังดอกก็คือทุกเมื่อนี่ดอกเนาะแต่กีมันอนดยาก ยม่เมี่ก ป, าก ป, กปาลากับพร้อมบุกพีก็นาปลากันน่หละก็พักถนนก็บดีควมน้าความคอนไปควมคอนไปทั้งนี้เลยก็อนงงันกุ้งเสื้อสีม้าล้างเท้ากัตุ๊กคอนสันเพ่อนว่านาโฟนกับโอ้ยลุยเพ่อนว่าลุยไปบินเท่าไหร่ลบากคนทางควมไปกานนําท่วมเราอยู่สาระไก่อาหารกับตาพริกปลาละ่ะ น้ำพริกปลากับปลากระปองไปยังสิ่งละกับวัวจากยายังมีน้ำประปามีแต่น้ำหนองนี่หละแต่หังสะอาดเด้ยละ่ะ พ, พวกแม่กันมากพวกแม่กินน้ำหนองนี่ ล, ล่ะหลวงพ่อคำเขียนจำพรรษาที่วัดป่าสุขโตได้ปีเดียวชาวบ้านท่ามะไฟหวานซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่ห่างออกไปสมกิโลเมตรก็มานิมนต์ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง ท่านหวังเผยแผ่ธรรมะออกไปให้กว้างขวางจึงตอบรับนิมนต์แต่ปรากฏว่าปัญหามากมายที่ท่ามาไฟหวานทำให้ท่านต้องพลิกบทบาทมาทำงานหลายอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน บ้านท่ามะไฟหวานในอดีตเป็นดินแดนที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองแทบจะไม่ย่างกรายเข้ามาจึงเป็นแหล่งหลบภัยชั้นดีของผู้มีคดีติดตัวต่อมาชาวบ้านได้ย้ายขึ้นมาถางป่าทำไร่มันสัาปะหลังที่ราคากำลังเฟื่องฟูเมื่อชาวบ้านมีเงินจับจ่ายมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการแพร่ระบาดของอบายามุขแทบทุกชนิดรวมไปถึงการทราะเลวิวาทต่อยตีตามท้องถนน ก็มีให้พบเห็นกันเป็นเรื่องปกติจนได้ชื่อว่าที่นี่คือดงเลือดสินี้ท่านทําอย่างแรกคือว่าทําให้เขาศรัทธาท่านท่า น, นเริ่มต้นในการพัฒนาวัดเวลาท่านไปรับนิไปกินนิมนตนะ์นัดที่ที่ไหนมีการเล่งการบานานกินเหล้าท่านก็เตือนเตือนไม่ฟังบางทีท่านก็ไม่ไปเลยไม่รับนิมนต์เลยท่านนี่ก็เริ่มเป็นเริ่มเป็นศูนย์กลางหรือเป็นผู้นําของชาวบ้าน ไม่มีผู้ใหญ่บ้านนะแต่ว่าท่านเนี่ยทำหน้าที่คล้ายผู้ใหญ่บ้านพ้นนักเลีนหัวหม้หลายคนเนี่ยที่เคยอารวาสเนี่ยพอหลวงพ่อท่านท่านทำให้เขาศรัทธานับถือเขาก็เชื่อฟังแล้วเขากลับมาเป็นผู้เป็นคนช่วยเลิกกินเหล้าเลิกการพนันอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นทําทำให้ทํามฝ่ายเนี่ยเริ่มเป็นหมู่บ้านที่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลวงพ่อค่อยๆแก้ปัญหาชาวบ้านในหลายๆเรื่องทั้งการจัดระเบียบวัดจัดระเบียบชุมชนจัดตั้งสหกรณ์ข้าวที่สําคัญคือจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งแรกของชัยภูมิขึ้นเมื่อปี2521ท่านทํางานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านหลายอย่างจนทําให้ชื่อเสียงของท่าน เป็นที่รู้จักในแวดวงของนักพัฒนาชุมชนรวมถึงคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่จากในเมืองอน้ามานะพบหลวงพ่อครั้งแรกเนี่ยปี2อตอนน้นตมาอยัางเป็นโยมแล้วก็ทำงานให้กับกลุ่มประสานงานาศาสนาะพระสังคมแต่นมามาพบท่านครั้งแรกเนี่ยก็ตอนที่มีการจัดประชุมระหว่างโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือเด็กขาอาหาร ตอนนั้นเรานัด ก, กันที่ประทายโรงพยาบาลประทายโคราชหลวงพ่อก็มาประชุมด้วยนั่นคือครั้งแรกที่ได้พบท่านแล้วก็ประสบการณ์หรือความประทับใจก็คือว่าท่านผ่องใสแล้วก็เป็นพระที่ท่านพูดน้อยแต่ว่าท่านฟังเยอะแล้วก็เป็นกันเอง เป็นกันเองกับกับญาติโยมนะอันนั้นก็คือคือภาพครั้งแรกซึ่งนำไปสู่การติดต่อกันเลื่อยมาต่อมาประมาณปีสองหกนัตมาก็อยากจะบวชก็หาที่ที่จะบวชอยากจะได้วัดที่คนไม่เยอะแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็มีเวลาเพราะบวชไม่นานตั้งใจว่าจะบวชแค่สามเดือนก็นึกถึงหลวงพ่อ เพราะว่าได้ทราบในเวลาต่อมาว่าหลวงพ่อเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์กรรมฐานด้วยถ้าไม่ใช่เป็นแค่พนักพัฒนามีเพื่อนที่เคยมาปฏิบัติกับท่านแล้วก็ได้อานิสงส์จากการปฏิบัติก็มาเล่าว่าหลวงพ่อนี่ท่านท่านสอนได้ทําให้คนเนี่ยได้เกิดความตื่นรู้นะได้ประโยชน์มากนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นทาให้อยากจะมาบวชกับท่านสมัยน้ําผนเรียง วิชาการพัฒนาจนบทแล้วก็พอดีอาจารย์ที่จุฬาเขาให้นังสืออ่านเกี่ยวกับเรื่องพระนักพัฒนาแปดลูกสมัยนั้นก็ยังไม่ได้คิดจะบวชนะก็แต่ว่าเอออยากรู้ว่ า, าพระนักพัฒนาทำงานยังไงแล้วก็จะ จุดมุ่มงหมายการพัฒนายังไงก็อยากจะศึกษาก็ไปห า, ห ล, าหลายที่แต่พอดีมาที่สุกัดโตใบแล้วก็เจอหลวงพ่อแต่ตอนนั้นนี่หลวงพ่อเขาว่าจะทำลานจะไปทุระไปลงไปเย้่งคอก็เลยมีเวลาก็น้อยแก่ห้านาทีสิบนาทีแต่ผมสนใจผมก็สนตนาอย่งหลวงพ่อแต่คิดว่า แค่้านาที10นาทีผมอก็รู้สึกมันแตกที่จะก็ยาัทธาร่วมใสมันเกิดขึ้นก็อยากจะอยู่กับหลวงพ่ออยากจะปฏิบัติกับหลวงพอ่อผมไดกคิดยังไม่ได้คิดจะบวชนะมีโอกาสพอดีจะมีเวล า, าคำนังนจะเข้าบาษาอีก10 อ, อีก1เดือนกวาน่า ก็จะลุงพอ่อก็แนะนําให้เตรียมตัวเอาเป็นป้าเกาเนืเดือนไงจะเตรียมบวชจะอ่านการทาบวชก็เลยฟงก็ตัวคิดว่าดีจะมาที่นี่อีกกลับไปแล้วก็มาที่นี่อีกแล้วก็จะอยู่ที่สุกับตอสักเนืเดือนก็นั่นแหละที่ลุงพอ่อก็ แนะนำให้บวชก็เลยเประตับใจจากการบวชชีพิเป็นวัมพัดชิตชีวิเป็นพระการไปมาหาสู่ของคนหนุ่มสาวจากในเมืองในยุคที่บ้านเมืองยังเป็นประเด็ีการทำให้ท่านเป็นที่จับตาจากทางการจนถึงกับมีข่าวว่า ท่านเป็นคอมมิวนิสต์แต่ท่านก็สามารถครองตัวได้เป็นอย่างดีจนได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายจนชาวบ้านบางคนถึงกับบอกว่าหากคอมมิวนิสต์ทำให้พวกเขาเป็นคนดีพวกเราก็คงเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยที่นี่หอกระจายข่าวท่ามฝไฟหวาน จเจริญสุขสวัสดีชาวบ้านท้ามะไฟหวานทุกวันหลังทําวัดเช้าถ่อยคําทักทายยามเช้าด้วยเสียงอันเปี่ยมด้วยเมตตานี้ถูกส่งผ่านไปตามหอกระจายเสียงวัดภูเขาทองนอกจากจะเป็นสัญญาณปลุกให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาหุงหาอาหารแล้วธรรมะที่หลวงพ่อเพียรสอนให้ชาวบ้านในแต่ละวันก็ค่อยๆเปลี่ยนชีวิตของชาวท้ามะไฟหวานหลายคนให้หันมาสนใจธรรมะมากขึ้นต่อมา หลวงพ่อก็เริ่มจัดอบรมการเจริญสติให้กับชาวบ้านซึ่งยังคงจัดต่อเนื่องติดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อเลยทำหมัดแล้วแล้วสิเว้านะแล้วสิเวาวทำมาอกีกให้ไทยบ้านในยิ้มนะก็แบบสิเอิ่นว่าลูกลุกตื่นตื่นผู <c oughs> ้ใ ด, ดตื่นเจ้าใดงานหลายตื่นใสใดงานหน่อยอเกียรกยเพียกยังเงี้ยเกียรยังเงี้นไต่อยจึงใกล้ยังเงี้ยเพลิน ลูกลูกฝ้าปูเฝ้าฟังแล้วก็ว่าเนาะถ้าห้องวันนี้ความรู้สึกโตความโกรธมันกะบอลูสึกเด้มันกะเขาาดด่าม้าใดโหลดเด้งเน่ยบอกแต่วันนี้ความรู้สึกโตยุยสุญัมอันนี้อันใดเข่าม้าห้างเก่าโหเด้จริงสิพอดีเข่ามาา้า ม, ามันกะโทบกกะแทกน้องก่าูหอันนี้ถ้าห้อมีความรู้สึกโตจริงกะทักกะแทกเขานี่เข่าม้าห้องกัดเสยเลยมันมันสิว่าจิตใจเขานี่มันสิว่ า, าก ล, ล้วยเฉีคือเก่าน่ะปกติลรงพ่อเรื่สอนออกอากาศตอนเศร้าด้ ตีหาไ้ตีหาตีเช็ดไสอนสอนลูกคร้านให้ให้ชาวบ้านปุ๊บให้ลูกให้ตื่นซอยพ่อซอยแม่ทําการทํางานมอ้อยจินเราจินยาพราะเราไม่เล่เจีนังลูกขึ้นตรงหัวจักซอยพ่อซอยแม่ถ้าถึงเก้ามีนาถึงสิหมีนาทุกปีมีการเปิดรถมาเดียวทํำทุกปีลงพอมาสอนว่าให้หัวจักจักของเลวพอมาขีดพอมาสัมผัสเลวแต่กรร่อนว่าูกจักจักรของแปลว่าเขาจะบอกอยังเขาบ อ, อกไปเลยแม่บ่ เขามาได้จับยั้งหลวงพ่อแล่าสอนให้หัวจักเจ้าของก้อนสิบว่าให้คนอื่นให้เบื้งเจ้าของก่อนบันนี้หลวงพ่อกระสอนไห้ให้เบิ้งเจ้าของจะไปเบื้งคนอื่นกันเลยมาเบื้งเจ้าของวะเออสิเปเว่พืนพื้นกระบอกอยากเว้าสิเปว้าเลี้ยงพื้นก็ะบออยากเว้าให้ให้เอาเจ้าของไว้ก่อนปู่แล้วก็เคยว่ากันเบิ้องเจ้าของแล้วมันสิเห็น เห็นสิ่งแต่หลาสิ่งนะสิ่งที่เขาบลูก็สิบูสิ่งที่เข า, า, เ, าเห็นก็สิเห็น น, นเฉพาะในแนวการปฏิบัติของหลวงปู่เทียนไปโดยาะการเคลื่นอนไหวว่าจะเป็นในการมีสติสติเห็นอย่างไรไม่มีสติแล้วก็บกันเพอกบ่โด น, นก็นนนจไปทางอื่นไป เอาขึ้นมากเลยแล้วก็บอกทีเนี่ยมันก็ร้องมะเห็ดไปมันก็แมนอ่าในช่วงที่มันก็ที่อยู่กับห้องการเหมือนชีวิตของห้องแปเลยพอขันว่ามีคุณธรรมว่มีธรรมมันก็จังไรละชีวิตก็สิบบัวสว่างสวัยเองสิ งานพัฒนาของหลวงพ่อที่ท่ามะไฟหวานมีทั้งงานที่สําเร็จและงานที่ล้มเหลวแต่หลวงพ่อมักจะพูดกับลูกศิษย์อยู่เสมอว่าแม้งานล้มเหลวแต่ตัวท่านไม่ล้มเหลวท่านก็ยอมรับนะว่างานที่ท่านทำกับชาวบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาชุมชนงานเกษตรผสมผสานหรือว่างานอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ย ชาวบ้านไม่ค่อยได้ตื่นตัวเท่าไหร่นะซึ่งอันนี้เขาก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาไม่กระตือรือร้ น, นแต่ท่านก็พูดเสมอว่าเนี่ยงานล้มเหลวนะแต่ตัวท่านไม่ล้มเหลวอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านพูดอยู่เสมอซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นข้อเตือนใจพวกเราว่าเมื่อทำงานก็ให้ทาเต็มที่นะแล้วก็ ไม่ว่างานจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามก็อย่าทุกข์กับมันนะงานไม่ใช่ตัวเรานะงานล้มเหลวแต่ว่าตัวเราไม่ล้มเหลวแต่บางคนงานสำเร็จแต่ตัวล้มเหลวก็ได้นะต้องระวังนั่นะถ้เกิดว่าเราทางานเต็มที่นะผลจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของมัน หลวงพ่อคำเขียนย้ายกลับมาวัดป่าสุขโตอีกครั้งในปี2525 25. ท่านกลับมาวางรากฐานงานหลายอย่างที่สุขโตที่สำคัญคืองานอนุรักษ์ธรรมชาติและการสอนกรรมฐานซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นงานที่หลวงพ่อมุ่งมั่นทำจนสำเร็จและเห็นผลได้อย่างชัดเจนในปัจจุบัน แม้ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาพื้นป่าอดุดมสมบูรณ์โดยรอบวัดป่าสุขโตจะถูกทำลายจนเกือบหมดจากการสัมพทานป่าไม้ในอดีตและการขยายพื้นที่ทำกินของชาวบ้านแต่หลวงพ่อคำเขียนก็ไม่เคยย่อท้อที่จะฟื้นฟูพื้นป่าแห่งนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนและแม้ว่าบางครั้งจะขัดแย้งกับชาวบ้านบางคนก็ตามด้วยท่านเห็นว่าธรรมชาติคือบ่อกเกิดของธรรมะ มันไะม่นี่ยมันคือชีวิตของเราเหมอนก่นเราจะอยู่ใดก็มีป่าไม้เหมือนกันเป็นกลมเย็นไห้ลูกหลานดูต่อไปลูกหลานกิไ ม, ม่มีไม่เห็นแบบไม่เนี่ยเราไม่ต้นเนี่ยเทามัปลูกไว้จ้าก็ปลูกไว้แต่ยามไหนนี่เก็นไว้ใหญ่แล้วนยังมาผ้ามาดูป่านี่ยมันดีเอาไหว้ไทยลูกหลานเบิงเต็ม หลวงพ่อขอห้ามในบริเวณเนี้ <c oughs> เพา น, นก็บอกเขานั่นแหละก็บอกว่าใกล้ได้แหละทังปูเจ็ดการลงเรือ ก, อกันปลาก็ว่าแปลงทั้งนั้นแปงนั้นแปงนี้มีแปลงเนี้แต่แปลงในพ้นขอหามเนี่ยเพราะว่าคันขอหามไม่แปลงไม่ได้เป็นไหน้เป็นภูบมีปลาธรรมชาติของเกขามันจะได้พุทธศักราช 2,543 หลวงพ่อ มีดำริให้จัดตั้งโครงการธรรมญาตราเพื่อฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้ำลำปะทาว้วยท่าน เ, นเห็นว่าปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติไม่อาจแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานของรัฐเท่านั้นแต่ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจังแต่ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาวบ้านตระหนักว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนได้รับผลกระทบร่วมกัน และมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันแก้ไข อ, อยู่หลานเขาอยู่เขาชิวจังไดมาฟังดูมาฟังเสียกันดูเขาชิวจังไดล่ะอายุว่าเน่าเลมันสัน ส, นสนกันโบก็กันโดนแย่ที่ลาบโงมันน้ำไหลลงหัวมั น, มนตะกอนทอนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทอปูมือเฮ็ดจังไดเขายู่ได้ เป็นดินปลาหม่ล่องไห่แม่น้ำลมป่วยเป็นดินแต่มชาติอากาศเป็นพิษพิษยังไหนเหรอผู้ใดเป็นพิษจริงสิเห่าเองแต่ก่อนเราเสด็จทำประชาติอปไตยรำชาติสะลงโทอดเห่านะมาไกลแมนแล้วการเดินทางด้วยเท้าเป็นระยะเวลา8วันของกลุ่มพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมและชุมชนในท้องถิ่น นอกจากเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นหันมาให้ความใส่ใจและร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองแล้วเส้นทางการเดินเท้าของชาวธรรมยาตรายัางเป็นเส้นทางแห่งการฝึกตนของผู้ร่วมเดินทางด้วยเช่นกันซึ่งนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปีแรกเมื่อ14ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อจะมาร่วมเดินทางกับชาวบ้านด้วยทุกครั้ง จนถึงปี2556ที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือการสอนเรื่องสติปัะฐานโดยท่านเห็นว่านี่คือสิ่งสำคัญที่จะนำพาทุกคนให้พ้นทุกข์ เกิดขึ้นจากกรรมฐานนะไม่ใช่ไม่ใช่อุดมการไม่ใช่ไม่ใช่คิดขึ้นมาเฉยๆเราปฏิบัติทมกับหลวงพ่อเทียนสมัยปี5 9า5 1 0อยอากจะให้คนปฏิบัติแล้วถิ่นฐานบ้านเกิดเราก็อยู่แถวนี้ก็คิดถึงถิ่นฐานบ้านเกิดตรงตนเอง ก็อย่างให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องได้ปฏิบัติตัวบ้างชิงเรานี่พ่อก็ไม่เคยสอนแม่ก็ไม่เคยสอนนี่หลวงพ่อเทียนสนอนเราเกิดมาตั้งเกือบสามสิปีเพิ่งได้ยินคํำสอนแบบนี้เลยก็อยากจะสอนคนมันหาสมายสบายเลยไม่เคยถามใครมาจากไหนชื่ออะไรบ้านใดเมา่อไรไม่เคยถามเลยแล้วแต่จะมาแล้แต่ามาอยู่แล้วก็ขอให้มีสตินี่เขาจะดูแลขเขาเอง ถ้ามีสติเขาจะรับความช่วยเองถ้าเขามีสติเขาจะทําความดีแล้วเขามีจิิตเขาจะบริสุทธิ์เองไม่ไปปกครองเขาเลยเป็นเวลาหลายปีทีเดียวที่บริเวณลานหินโค้งวัดป่าสุกโตจะมีนักปฏิบัติหน้าใหม่และหน้าเก่าจากทั่วสารทิศ เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่นี่อย่างต่อเนื่องนอกนจากความสงบร่มรื่นที่ทำให้หลายคนรู้สึกสงบกายสงบใจแล้วแนวทางการเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวที่หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนได้สืบทอดจากหลวงพ่อเทียนผู้เป็นครูก็เป็นแนวทางที่หลายคนสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าสามารถนำพาชีวิตให้พ้นทุกข์ได้ ความโกรธผู้ใดเห็นความโกรธจริงๆผู้นั่นก็เห็นสัจธรรมถ้าผู้ใดเป็นผู้ที่โกรธผู้นั่นก็ไม่เห็นสัจธรรมความโกรธมันมีความไม่โกรธมันก็มีความสุขมันมีความไม่สุขมันก็มีความทุกข์มันมีความไม่ทุกข์มันก็มีมันมีเป็นคู่คู่อยู่นั่นแต่คนเราไม่รู้จักมันตามความเป็นจริงเวลาใดที่มันโกรธ ก็หมดเนื้อหมดตัวไปอยู่กับความโกรธทั้งหมดทำไปตามความโกรธทั้งหมดจนมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้เห็นมันเขาใดที่มันโกดความโกรธมันจะมาสอนเราขาใดที่มันทุกข์ความทุกข์มันจะมาสอนเราขาใดที่มันดีใจความดีใจมันจะมาสอนเราขาวใดที่มันเสียใจความเสียใจจะมาสอนเราให้เราถือโอกาสนั่นศึกษามันลองดู ความเห็นผิดนั่นแหละมันจะทำให้เราเกิดความเห็นผูกความทุกข์นั่นแหละมันจะทำให้เราพ่นจากความทุกข์ถ้าเราอดใจมองให้ดูสักนิดนิดหนักแน่นหน่อยหน่อย <c oughs> มันจะเข้าใจจะเห็นสัจธรรมขนานั้นมันมีสติอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะที่ท่านยืนยันนะนะยืนยันนั่ง ย, นนยันนอนยันว่าสติอย่างเดียวเท่านั้นนะที่จะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยน คนเคยมีปัญหาก็ไม่มีปัญหาคนเคยโกรธก็ไม่โกรธเนี่ยคนที่เคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์อย่างเงี้ยท่านยืนยันอย่างเงี้ยมันเกิดจากสติตัวเดียวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเป็นทั้งศีลอย่างท่านพูดนะรู้สึกตัวเป็นทั้งสมาธิความรู้สึกตัวเป็นทั้งปัญญายเจะรู้สึกตัวไปทําไมล่ะก็ต้องเรียกว่าเคลื่อนไหวรู้สึกตัวให้มันเกิดสติอันนี้เป็นสติประฐานที่พระเจ้าได้พูดถึงนั่นแหละ ท่านจึงเน้นพยายาไปทำอย่างอื่นจะเป็นใครมาจากไหนท่านไม่ถามหรอกจะเรียนสูงเรียนต่ําท่านก็ไม่ถามธรามาแล้วขอให้ฝึกสติฮะเมื่อมีสติแล้วก็จะมีศีลสมาธิปัญญาไปเอง mm. ก็จะรับผิดชอบตัวเอง mm. ก็จะเปลี่ยนไปเองไม่ต้องไปสอนอะไรเขาเลยก็จะสอนตัวเองท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีสองพันห้า้อยสิบแปดอาจารย์ระวีภาวิไลจัด งานระดมธรรมที่สวนลุมกรุงเทพมีมนพระมาจากที่ต่างๆหลวงพ่อเจียนก็ไปหลวงพ่อคเขียนก็ไปแล้วมันก็มีการเทศแบบไม่น่าพปลายหลวงพ่อเขียนก็ไปเทศเรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยพระบางรูปบอกพูดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่พูดเรื่ององื่นทำไมมันต้องมีศีลก่อนไม่ใช่หรือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก่อนไม่ใช่หรอหลวงพ่อคำเขียนนั่งเข้าไปเลย คัดค้านอะไรเขาก็เห็นอย่างนั้นนะแต่ต่หลังได้ก็มาพูดให้ฟังว่าศีลสมาสธมาิปัญญาที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันต้องมีสติก่อนส ต, ติมันทําให้เกิดศีลสมาที่ปัญญาขึ้นมาเรียกว่ามาจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหน้าที่จะน้อมนาไปปฏิบัติทาเรื่องนี้แม้ในยุคแรกๆวัดป่าสุโขโต จะมีพระมาจำพรรษาเพียงไม่กี่รูปแต่ช่วงเข้าพรรษาปีนี้มีพระใหม่มาจำพรรษาเพื่อศึกษาธรรมเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวหลังจากพิธีปลงผมที่สุขโตแล้ววันรุ่งขึ้นพระใหม่จะเข้าพิธีอุปสมบทที่อุโบสถวัดภูเขาทองจากนั้นจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าสุขโตอย่างพระบวชใหม่มาเนาะ ในการที่บวชเองท่านก็สอนเต็มที่ตั้งแต่อยู่ในบสถแล้วสอนได้ในโบสถแต่พอลงมาจากโบสถแล้วก็ก็บอกให้มีพระพี่เลี้ยงคอยแนะนําเรื่องวินัยก็ดีหรือเรื่องการปฏิบัติก็ดีก็เหมือนจะส่งต่อให้ให้กับพระพี่เลี้ยงคราวนี้พระพี่เลี้ยงก็ก็หนึ่งก็แล้วแต่จะดิจขางแต่ละท่านที่จะสอนต่ออย่างไรมานะจะไปคุยเรื่องธรรมะเรื่องระเบียบใครแนะนําหรือว่าจะไปคุยเรื่องปฏิบัติ ไปหาไข่เหวนะมันก็เป็นแบบนั้นหรือบางช่วงก็มีพระหลายแตรูปที่ท่านแบบมีเจดิตในการชอบดูแลถ้าใหม่ท่านก็จะคล้ายๆไปไปดูแลต่อหลวงพ่อใช้เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนหลวงพ่อเมันเป็นคนออกออกไข่ให้แต่ก็มีมีแม่ไก่อีกตัวหนึ่งที่คอยไปกบให้เขาให้เขาให้เขาเติบโตขึ้นนะแต่ตัวหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ทิ้งนะก็คล้ายๆถ้าท่านก็เทศสอนทุกครั้ง เพราที่ท่านรู้ครับอิทธิพลดีอย่างที่เรายกมือเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจในการยกมากๆแบบตั้งใจไว้เลยว่าจะไม่หลงจะต้องพยายามอยู่กับตรงนี้ให้ได้เนี่ยถือว่าผิดหรือถูกครับตั้งใจจนมาให้มันหลงมันก็ง่ายนะท่านง่ายที่เดียวที่จะให้ให้มันหลงไม่ให้มันจิตวิธีนั่นผมไปทามาแล้วเอาให้เป็นเหล็กเส้นเลยละไม่ดีมันจะเป็นสมถะ จะให้มันคิดทํามันคิดลงไปแต่ว่าเราจะลูกมันก็พอผมทําพุทธโธเนะี่ยอ๋อจะเข้าพุทอ๋อจะออกโตหลับตาด้วยไม่มีอะไรเลยเงียบแั๊บเดีวยวเลยทามันก็เป็นสมาธิไปเราดูเฉยๆเราดูเฉยๆเราเฉยๆมันจะคิดก็ได้เป็นรเปิดตัวจันติยะมันจะคิดคนจะคิดคนิดได้แต่เราจะลูกของเราไปานี่แหละ ด้วยควาเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากลำบากและชาวสุขโตในยุคแรกๆ แ, แม้แต่น้ำประปาหรือไฟฟ้าก็ยังไม่มีใช้ดังนั้นหากมีนักปฏิบัติคนใดปากบันมาจนถึงสุขโตจึงมักจะได้รับการดูแลจากหลวงพ่อเป็นอย่างดีด้วยปรารถนาให้ทุกคนได้มีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่ท่านจะไม่ให้เราเนี่ยมามาเป็นภาระ ในเรื่องพวการกินการอยู่นะท่านจะจัดการเองนะเสนาัสนาท่านก็จัดการะจะสร้างเมือ่อไรท่านก็จัดการเรียกช่างมาเลื่อยไม้แล้วก็มาทำท่านดูแลเองหมดคือพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะเราปฏิบัติอย่างเดียวนะท่านดูแลจัดการเรื่องเสนาสนะปัจจัย4หมดแล้วก็ท่านชอบทํางาน ตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะไปปฏิบาติบานท้ก็เห็นท่านท่านก็ถางถางหญ้าหรือว่าขุดจอมปลวกนะออกไปท่านยังไม่เคยเรียกร้องขอให้พวกเราไปทำเรื่องพวกนี้เลยท่านบอกท่านทำเองพวกเราปฏิบัติอย่างเดียวนะอันนี้ก็ก็เรียกว่าท่านเ อ, อเฟือมากนะที่นี่โยมที่นี่นะท่านบาสกันบา ก็เลยอยากจะชวนคนมานี่งก็ชวนคนถนนหนทางก็มาถึงมีข้าวจิน้นไม่ทิหววะใช้เพราะหลบว่าหลบผลได้ไม่พุ่มพวยเกินไปไม่ปืดเกลีงเกินไปอยากให้เป็นอย่างนี้จะให้ดีกว่านี่ก็ไม่เอาอ <laughs> รู้เหรอเลีย่ยมเหร อ, อยบเหยงับก็ไม่เอาอยากทั้งมาแชา่แบบนี้นะนะ จะสร้างใหยญ่โตมานึ่งสี่ปีเนี่ขาแช่นี่วันเราช่วงเวลาที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าสุขโตภาพหนึ่งที่นักปฏิบัติหลายคนคุ้นตากันก็คือที่พักของหลวงพ่อที่ลานหินโค้งซึ่งเป็นที่ที่ท่านมักมานั่งพักมาเจริญสติรวมถึงมานอนจำวัดอยู่ที่นี่บ่อยๆและถ้าเป็นช่วงที่มีการเก็บอารมณ์เข้มของแต่ละปีท่าน มักจะมาร่วมปฏิบัติอยู่กับนักปฏิบัติเสมอท่านบอกอยู่บ่อยๆว่าเวลาที่เห็นคนเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวท่านรู้สึกอบอุ่นใจและแอบสรรเสริญอยู่ในใจหากมีนักปฏิบัติคนไหนติดขัดหรือมีปัญหาในการปฏิบัติท่านจะบอกว่าสามารถเคาะประตูเรียกท่านได้ตลอดเวลาในขณะเดียวกันการอยู่ใกล้ชิดกับนักปฏิบัติท่านก็มีวิธีการสอนเฉพาะตัวที่หลายคนพูดตรงกันว่าท่านพูดให้ฟัง ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสโวมหลงสามารถเตลียนหลกสุขโดยมผูุ้ autre. ่งซ้นาสามารถเต็น่ยนใจได้เป mm. ็นส uh ุขโดยใหเฉยหากดนสอนเลย้มันหลงไปจะได้ปัญญาให้มันโกรธองไปให้มันทุกข์ลงไปจะได้ปัญญาปัญญาเคยจากต่างหากาไม่มีทางหากปัญญาไม่มีเลย ท่านบอกเขาว่าคนหวใจมันุ่นวายหรือ่ามาหลงเสียกันไม่เลยอวามาทุกเสียงไม่ทุกบคเ่พัฒนวันยดีขึ้นะว่านพัฒนานไม่ใช่งเสียมาว่าท่านก็ให้ความสำคัญทั้งพระทั้งคารวะไม่ไม่ไม่ได้อยกักันนะไม่ด้อยกับกันเหมือนทุกคนอะ ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่มาว้าหลวงพ่อก็ให้ความสำคัญไม่ต่างกันหลวงพ่อเหมือนคล้ายหลวงพ่อใช้คําว่าเหมือนวันนี้เราสอนเราบอกเข้าไปเถอะแต่เขาจะจะคิดได้ตอนไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีเขาทุกข์มากๆเขาอาจจะคิดได้ก็ได้แล้วค่อยมาปฏิบัติก็ได้อะไรนะคือหลวงพ่อเหมือนพยายามให้ไปก่อนคือให้ธรรมะเผื่อบางทีมันติดบางคนอาจจะแค่ติดที่หัวหรือบางคนอาจจะติดใจพอเขาทุกข์มากๆเขาก็อาจจะลึกได้แล้วก็ บางคนก็กลับมาบวชหรือบางคนก็เออพอทุกข์มากมากก็ตั้งใจปฏิวัติธรรมนะหลพ่อก็คิดแบบนี้นะมาว่าโดยการบังผลท่านก็ไม่ได้คาดบังผลเลิศแต่ท่านก็เหมือนให้ไปก่อนตอนไหนที่เขาพร้อมจะรับตอนนั้นก็เป็นเรื่องของเขาละทุกวันนี้งานกรรมาฐานที่หลวงพ่อวางรากฐานไว้ เห็นผลอย่างชัดเจนจากจำนวนนักปฏิบัติที่มาปฏิบัติธรรมมากขึ้นจนตั้งเป็นสถาบันสติปัฏฐานมีลูกศิษย์หลายท่านมาช่วยงานหลวงพ่อในการอบรมคารวาสแต่หลวงพ่อก็ยังมาแสดงธรรมในช่วงทรรมวัดเช้าอยู่เสมอบางอย่างเบาสอนไม่ได้ต้องหนักกรรมธรรมเอาเช่นจะมีกำลัง ต้องหัดเอาช่อมออกเพื่อจะให้ได้กำลังมาใช่การเนเวลามเติ็ดเหนื่อยเหน็ดรวมเหน็ดเหนืน่อยหมายถึงขวาไม่มีกำลังนักปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน เวลาที่มันสุขมันทุกแสดงว่าไม่มีกําลังจึงปล่อยให้เป็นสุขเป็นทุกปล่อยให้เกิดโกรธโลภหลงเพราะไม่มีกําลังสติสติมันจะเห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรสุขก็ไม่ได้เป็นไปเป็นผู้สุขเห็นแต่มันสุกไม่มีอะไรหว่นไหว ทุก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันมีแต่เห็นแต่ก่อนมันไม่มีอันภาวะที่เห็นมีแต่ภาวะที่เป็นมันดนอดเนี่ยชีวิตดอดเนี่ยถูกแป่งแยกไม่ได้ใช้ชีวิตจริงจริงอันอื่นเอาไปใช้สุขเอาไปใช้ทุกข์เอาไปใช้โกรธโลภหลงเอาไปใช้ความรักความชังเอาไปใช้ โสนเปล่าเจ้วเวลานินช้าไม่มีชีวิตชีวาถ้าเป็นเช่นนั้นชีวิตมันได้ต้องเป็นอะไรธรรมะที่ได้จากการเจริญสติที่หลายคนได้สัมผัสจากการมาเรียนรู้ที่สุขโต ตลอดจนความเมตตาเอื้อเฟื้อที่หลวงพ่อมีต่อคนรอบข้างถูกบอกเล่าต่อกันด้วยมาถึงความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีและปฏิปทาอันเป็นที่ประทับใจต่อผู้ที่ได้ใกล้ชิดเสมอมาไปไซน่น้นะเพื่นก็นบ่อยง ใ, ให้ทาให้เิ็นแบี้งั้นครับนี่ยว่าตั้งแต่เข้าปฏิบัติปฏิบัติตามผู้เฒ่าเานะนะั่นละตามอันในพ่อ เ็ดใดเขาก็เห็ดไปแต่เพื่อไปอันเดบ่ดีเาก็บพื่อไปอันเดียบ่ดีเขากบเือไปไปเ้เพื่อนบอกอนเดีเห็ดในเขาก็บเห็ดไปเส้นแล้วอันเดีเขาบ่โหเขาก็ถามวาอุ้หาคือยากครับบ่เคยเห็นคนถึงมาสอนครับตอนนี้พันธสอนเลงชีวิตตแจงเขาเนี่ยครับเพื่อกายกับใจเขาเนี่ยสอนยางไปใต้เ่ใหุ่นจักเหยียบแต่แต่เหยียบหุ่นจับครับเขาเป็นคนลงต้นเรื่องตัวลงกายเรื่องใจในคืออย่างคือเขาบ่มาเบิ้งเจ้าของ ถูกหรอดีเขาู้จะตัวเขาคงจะเขาคงว่าเอาแล้วของตัวเรีย ก, ออกเอาของดีเนี่ยทิ้งที่มันดีดีเขาไปอยู่เต้กันพี่ก้มถูกครับสบายบอกยิ้จ้าบอพยาบากปวดได้ผู้ใดเดียงของคนเดีื่นเหมือนกันตัวแ้วแต่เขาเห็นเขาตัวแรกเาตีว่าเขาเขามาแก่กับของครับมาแก่ของเลยเบิง้งกับของเกิดมันที่ บ, บ, บอมีประเด็นเหนเขาถูกครับนี่เท่า เขาเกิดเด็เด็กคนเดียวผูคนเดียวเวลาพ่อผมไปสุขโขทัยเนี่ยไปคุยกับหลวงพ่อกำเขียนว่าอย่างไรหลวงพ่อสอนอะไรมาพ่อจะมาจะมาเสนอให้ผมฟังผมก็ชอบใจนะชอบใจแต่ว่าฟังไว้เฉยยังไม่รู้ติดต่อท่านยังไงเพราะยังไงเราก็ไปวัดป่าสุขโขทัยไม่ได้นี่จะมียาติธรรมยาติธรรมเนี่ยอยู่ทางกรุงเทพตอ น, นัผม อ, อยู่นครสวรรค์ ผก็เลยเขียนจดหมายผมไม่กล้าเขียนถึงพ่อโดยตรงหรอกเขียนถึงยาตาธรรมตามว่าอยากจะไปปฏิบททัติธรรมอืเราจะปฏิบททัติธรรมนี่เลยต้องมีการบวชมีอะไรหลายอย่างนะมีรู้ธรรมะอะไรมากมายแต่เราไม่รู้อะไรอยู่ที่บ้านไม่ค่อยรู้อะไรก็คุยเป็นแบบกรยนามิตรกันนะนะอันนี้ยถาธรมท่านนี้ท่านก็เขียนจดหมายมาตอบผม ตอบเรื่องว่าถ้าอยากจะไปดีบัติธรรมลองปรึกษาลุงพ่อกำเขียนลองเขียนจดหมายไปคุยเรื่องควมามเขียนดูสิหลวงพ่อท่านจะมีวิธีการสอนให้เราทํากรรมฐานได้มันก็เลยเป็นช่องทางเจ้าต่างให้เราเขียนถึงหลวงพ่อเลยตัดสินใจเขียนถึงหลวงพ่อกำเขียนเนี่ยเขียนจดหมายเลยนะเขียนถึงหลวงพ่อ ก็เขียนเรื่องว่าเราเป็นคนพิการมีอุรยาบทที่มันมันน้อยไม่เหมือนคนปกติแต่มีความทุกข์มากอยากจะพ้นจากความทุกข์อยากจะแก้ปัญหาชีวิตด้วยตัวของเราเองเนี่ยเลยทาอย่างไรเนี่ยเริ่มต้นจากเพียงแค่ น, นี้หลวงพ่อก็เลยเขียนจนหมายตอบมาหลังจากนั้นประมาณ12วันนะผมเขียนไป12วันตั้งแตเขียนตอบมาตอน เขียนตอบมาเราก็ดีใจละโอ้จดหมายจากหลวงพ่อเ ข, เขียนโอ้มีกําลังใจแม่นั้นเปิดเลยนะเราไม่คิดว่าหลวงพ่อนี่จะมีเมตตาขนาดนี้นะเราเป็นคนพิการไม่มีสาระอะไรถ้าเป็นพระระดับหลวงพอ่อเป็นครูบาอาจารย์ท่านอุตส่าห์คิดมาหาเราเนี่ยได้กําลังใจนะเปิดอ่านดูคําแรกที่ท่านหลวงพอ่อท่านเขียนว่ า, ว, าว่าคนพิการก็ปฏิบัติ ท, ทําได้ โอ้ oh, ตรงนี้นะประทับใจมากเรามีโอกาสเนีมีทางนี่ยท่านก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านยินดีจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับเราท่านก็แนะนําวิธีการทํากรรมฐานท่านบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยก็ยินดีที่อตอบจดหมายเราถูกจะบอกถ้าสงสยัยอะไรก็เขียนจดหมายถามไปแลให้กําลังใจมาเยอะๆนี่เพียงแค่เนี้ย ในสายตาของคนทั่วไปหลวงพ่อคําเขียนจึงเป็นพระเรียบง่ายแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากพระทั่วไปที่พบเห็นเท่าใดนักแต่ในหมู่นักปฏิบัติที่เคยพบท่านจะสัมผัสได้ถึงความเป็นอาจารย์กรรมฐานที่เปี่ยมด้วยปัญญาและความการุณาตลอดจนเป็นกัลยาณมิตรที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและเตี่ยมด้วยความปรารถนาดีต่อทุกคน Although we a n Lompo can't talk in English. And in the beginning, he used to take us, me and there is another Sri Lankan monk. Sometimes when he go out for like to visit some another temples, Lompo like to take us with them. So I think it is his kindness. He he he feels that we are alone or lonely here, so he take us. It is very wonderful. One day in the vehicle, Lompo said, "I can't speak English." <laughs> He said in English. <laughs> so, but but but whenever I stay near to him, like I feel some vibration because of his kindness. Like I feel, uh, I I didn't have any stress or fear to near to him, and so I I found this vibration is like little special. Of course, when I talk with other Chinese monks and other foreign monks, they also tells the same. So it is so so easy to stay near to Lompo. การทำงานหนักประกอบกับกิจนิมนที่มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลวงพ่ออาพาธในปี2549และแพทย์วินิจฉัยว่าท่านป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ท่านต้องเข้าพักเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล ที่ร่างกายเผชิญความทุกข์จากโกาครคภัยไข้เจ็บหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมที่สําคัญอันหนึ่งให้เห็นว่าจิตที่ฝึกมาดีช่วยผู้ป่วยได้อย่างไรท่านมักจะพูดเสมอว่าเมื่อมีเจ็บมันก็มีไม่เจ็บเมื่อมีแก่มันก็มีไม่แก่เมื่อมีตายมันก็มีไม่ตายเพราะอนุภาพของการเจริญสติ ว่าคนป่วยมีทุกข์เน่เราไม่ทุกข์เลยนีคนถามไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วพ่อพ ก, พก็พูดคำเดียวว่าสนุกกล่วยคนหวานให้ดูน้องพ่อหน้องไอซียูเกาะกระจกน้าตาไหลเป็นแถวยาจกุนกน้องพ่ออหน่องไอซิยเห็นลมน้าตาร่วงครับถ้าไมคเขาบังหวังเราเราไม่มีปัญหาอะไรเราสบายที่สุดแล้วเออ คุยไปได้นะครับครับอมท่อเหล็กในปากครับนึกในใจนึกในใจเอากระดาษมาเขียนครับเวลานี้ญาติโยมที่ไปดูหลงพ่อขอกระจกอยู่เนี้ยกลับบ้านได้แล้วไม่ต้องหวังหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นชีวิตส่วนตัวมากที่สุดไม่เหมือนอยู่วัดนะอยู่วัดยังแบ่งให้แตอก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ไปสอนพระแล้วก็ไปรดข้ามต้นไม้ครับมาอยู่นี่สนุกดีนอนสบอยถ้าโน่ป่วย เห็นว่าเออคนป่วยเขาว่าเป็นทุกข์ทำไมเรามันเป็นทุกข์หาทุกข์ไม่มีเลยท่านก็บอกว่าเหมือนสนุกป่วยคือการอาพาธเนี่ยเหมือนเรื่องดาวที่ไม่ใช่เป็นเรื่องความทุกข์เป็นเรื่องที่สนุกในที่ไม่ใช่ว่าสนุกสนานแต่เหมือนคล้ๆเป็นช่วงที่ได้มีความสุขได้พักผ่อนตัวเองไม่ต้องไปทําการงานอย่างอื่นเป็นช่วงที่ได้อยู่เงียบเงียบเลยนะว่าเป็นช่วงที่หลวงพ่อสอนว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ความป่วยไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปทุกข์ไปเศร้าแต่ความป่วยคือเรื่องที่เราสามารถอยู่กับมันได้อย่างไม่ทุกข์ก็ได้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกราบท่านเนี่ยท่นก็เลยพูดคุยให้ฟังว่าถึงแม้กายของพ่อป่วยเนี่ยแต่จิตจิตใจท่านดีสม่ําเสมอแล้วก็บอกขันห้าท่านเนี่ยราบเรียบเหมือนเหมือนเรือที่มาจอดริมฝั่งน้ําก็ไม่กระเพื่อม เดินขึ้นฝั่งได้เลยไม่ต้องปีนป่ายเดินขึ้นฝั่งได้เลยคล้ายๆว่าท่านไม่ได้ติดในเรื่องสังขารต่างๆในรูปเวทนาสัญญาทางการวิญญาณท่านเสมอเรืองหมดมีความเป็นปกติแม้ท่านจะป่วยมันป่วยหนักท่านรักษาจิตของท่านได้สงบมากหลังฟื้นตัวจากการป่วยหลวงพ่อก็กลับมาทางานหนักกว่าเดิมทั้งงานด้านการอนุรักษ์ และการสอนธรรมะท่านมักจะบอกว่าช่วงที่ท่านอาพาธท่านเป็นหนี้หลายคนที่ช่วยรักษาชีวิตของท่านไว้ท่านจึงมีหน้าที่ต้องตอบแทนบุคคลเหล่านั้นในาร่างหนึ่งไปประเทศอินเดียท่านการแสดงออกในคําพูดเช่นไปที่วัดเวรุวันสถานที่ที่สอนธรรมท่านบอกว่า นะวันนี้ณวันนี้เวลานี้ในการเผยแผ่ธรรมของท่านในการ Abe, สอนธรรมะของท่านนคนําพูดที่ท่านจะไม่พูดเลยคือคําว่าไม่ไหวในการเผยแผ่ศาสนาจะไม่พูดเลยคําว่าไม่ไหวชีวิตเมืาจาถานเป็นอย่างนี้มาจานร่ะเราไม่มาจานก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จิตที่มาสถานชีวิตมาจานเป็นนี้ เขาดินทาก็อย่างนี้เขาเสริญเสริญก็อย่างนี้ถ้าพีใ่ใจถูกอย่าไดเชื่อมอะไรก็อ่นี้ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกตัว น, นี้ก็เขาดินเตีนทาก็ใจเศร้ า, ามาเขาเสริญก็ขึ้นไปอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีบวกมีลบตัวนี้มันไม่ตรงอย่างนี้นั้นก็ใช่ไม่ได้มันรู้จะพึ่งอะไรเราถ้ามันเป็นอย่างนี้บางทีให้เขาหิ้วไปโกรธให้เขาบีบใครหิ้วไว้ทุกข์เป็นทักเพราะคนอื่น เป็นโกรธเพราะคนอื่นมันเขาอ่อนแอเกินไปเราจะต้องไม่เป็นไรก็บอะไรหลวงตาเลยพูดแบบภาษาหลวงตาให้ดูดูแล้วเห็นเห็นแล้วอย่าเป็นปลายเดือนธันวาคม2556หลวงพ่อมีปัญหาในการกลืนอาหารวันที่22มกราคม2557ได้เริ่มไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จนกระทั่งวันที่4กุมภาพันธ์ก้อนเนื้อได้ปิดหลอดอาหารส่วนบนจึงต้องให้อาหารทางสายยางหลังจากการฉายดังสี4ครั้งอีก3วันถัดมาหลวงพ่อหายใจลำบากหลอดลมถูกเบียดแพทย์จึงต้องทำการเจาะคอเพื่อช่วยหายใจ หลังจากอยู่ในโรงพยาบาลร่วมสองเดือนวันที่26มีนาคมหลวงพ่อกลับมารักษาตัวที่วัดภูเขาทองแม้จะมีอาการอ่อนเพลียมาตลอดแต่ก็ยังออกมาเดินและรดน้ำต้นไม้เป็นครั้งคราวระหว่างที่รอสร้างกุฏิปลอดเชื้อหลวงพ่อได้ย้ายมาที่วัดป่าสุขโตวันไหนที่พอมีแรงท่านก็ออกมานั่งเขียนบันทึกและรดน้าต้นไม้อันเป็นกิจวัตรที่ท่านชอบ เช้าวันที่27กรกฎาคมหลวงพ่อเดินทางจากสุขโตไปแนะนำงานที่วัดภูเขาทองท่านยังคงใช้ชีวิตเป็นปกติทั้งทั้งที่ร่างกายถูกอาการของโรครุ่มเร้ามากขึ้นเรื่อยๆออแม้ความเจ็บป่วยครั้งนี้จะหนักหนากว่าครั้งที่ผ่านมาแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้แสดงความวิตกกังวล ใ, ใดๆ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของท่านแม้บางครั้งก้อนเนื้อร้ายที่ดันหลอดลมได้ก่อปัญหาเป็นระยะจนบางครั้งดันท่อช่วยหายใจออกมาทำให้หลวงพ่อหายใจไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งแต่หลวงพ่อก็ยังแสดงความปกติอยู่เช่นเดิมท่านยังหมั่นเจริญสติในอิริยาบถต่างๆอยู่เสมอที่สำคัญคือท่านยังเพียรแสดงธรรม ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เรียนรู้ทั้งด้วยข้อเขียนที่บรรจงเขียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งจดยวัตที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะรับมือกับความตายได้ทุกเมื่อทาไมว่าหลวงพ่อนี้เป็นเป็นครูสอนในเรื่องการดำเนินมีชีวิตเป็นแบบอย่างในขณะที่ ที่ภาวะวิกฤตทางด้านชีวิตของเราเนี่ยแต่ท่านท่านวางใจของท่านเนวางใจของท่านให้ให้เป็นปกติได้ดีได้ดีย่ําเลยนี่เลยจนกระทั่งว่าถ้าไม่มีหมายไม่มีอะไรอยู่ที่เป็นว่าเป็นคนป่วยจะไม่รู้ว่าหลวงพ่อคือเป็นคนป่วยวางท่าทางหน้าตายิ้มยิม้มแจ่มใสใครไปใค ร, ใครมานี่มาอยู่ตลอดนี่ตลอดเป็นนิมิตหมายในส่วนหนึ่งที่ที่เราชาวพุทธที่คนที่จะนํา นำมาปฏิบัติได้ไม่ได้ได้อย่างอย่าอย่าไปจนกรอกในขณะที่ชีวิตเราเองเรากําลังเผชิญการวิกฤตทางในชีวิตของเราเนะนี่ยน่าจะเอาส่วนนี้เถือนที่หลวงพ่อเป็นอยู่ให้เราเห็ น, นศึกษาตรงเนี้ยเอามาเอามาใช้กับชีวิตมาพัฒนาชีวิตของเราให้ให้ให้อยู่เหนือทุกขเวทนาที่หลวงพ่อพาอยู่เนะี้ยท่านก็สอนธรรมะเรานะสอนให้เห็นนะว่าร่างกายมันแก่นะ ไม่ใช่ตัวทัดแก่ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่ท่านเจ็บร่างกายตายไม่ใช่ท่านตายเมื่อกี้ที่ท่านเขียนเขียนนะบอกท่านลาตายแล้วละ่ะท่านโคม่าแล้วท่านลาตายแล้วแล้วท่านก็อยากเบิกบานอยู่ท่านสอนธรรมะที่ดีกับเรานะเจ็บถึงขนาดนี้ถ้าเป็นคนทั่วๆไปทุลนทุรายตายแล้วรู้ใจ ถ้ายังมีความสุขของท่านอยู่ได้หน้าที่เราไม่ให้เสียชื่อเป็นลูกศิษย์ท่านกนะ็ทำอย่างให้ที่ท่านทำให้ได้สิแต่ไม่ใช่ทำว่าไม่หวั่นไหวอะไรนะต้องทำเหตุอันนี้เป็นผลที่ท่านฝึกมาอย่างดีแล้วเราก็ต้องทำเหตุที่ท่านเคยทำมาท่านมีสติทำอะไรท่านก็มีสติมีสติเหตุกายมันทำงานมีสติเห็นจิตมันทำงานจนกรทังจิตมันเข้าใจความเป็นจริงมันก็ไม่ยึดไม่ถืออะไร ก็มีความสุขเราก็ต้องเอาอย่างท่านคือเอาปฏิปทาเอาวิธีปฏิบัติของท่านมาทำแม้หลวงพ่อจะได้รับการรักษาอย่างดีจากคณะแพทย์และทีมดูแลก้อนเนื้อยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเช้ามืดวันที่23สิงหาคมก้อนเนื้อได้ดันหลอดลมตอนล่างจนเกือบปิดทำให้ท่านหายใจลาบากมาก ไม่ว่าจะเยียวยาเพียงใดก้อนเนื้อก็ไม่ยุบจนท่านหายใจติดขัดอย่างหนักคณะผู้ดูแลพยายามแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลถึงกระนั้นหลวงพ่อก็ยังมีสติตลอดเวลาท่านประคองร่างกายเดินเข้าห้องน้ำปลดปล่อยสิ่งปฏิกูลออกจากร่างกายล้างมือล้างหน้าให้เรียบร้อยด้วยตัวเองแล้วจึงกลับมานอนที่เตียง สักครู่ท่านจึงทำท่าขอกระดาษและปากกาและได้เขียนข้อความว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายเมื่อยื่นแผ่นกระดาษให้เสร็จท่านก็ประนมมือไหว้แล้วนอนนิ่งสักพักก็หลับตาครูใหญ่ลมหายใจของท่านก็ขาดหายไปสัญญาณชีพทั้งหมดของหลวงพ่อหมดสิ้นเมื่อเวลา 4.59 นาฬิกานาที ของวันที่23สิงหาคม 2,557 ัหสิดิริรวมอายุ ข, ของหลวงพ่อ78ปี46พรรษาหลวงพ่อคำเขียนได้บันทึกธทมถึงลูกศิษย์ไว้ตอนหนึ่งว่าสั่งลามิตรสหายทุกท่านธาตุขันไม่มีวันที่จะอยู่ได้นานขอให้เป็นสติปัญญาแทน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 จงพากันปฏิบัติไปจะได้พบเห็นอาการดับไม่เหลือของหนามรูป49ปีที่ผ่านมาคือวันนี้รู้สึกตัวรู้สึกตัวดีการเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยาบอกอันเนี้ยสำคัญมาก การเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นท่านบอกว่าเป็นเพชรแห่งธรรม ะ, ะคุยกัผมน ะ, ะการเป็นผู้ดูเนี่ยเป็นเพชรแห่งธรรมะสุดท้ายแล้วถึงขั้นดีว่าการไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นมงกุฎแห่งธรรมะเนี่ยสูงกว่าเพชรการไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นมงกุฎแห่งธรรมะไม่ได้เอาอะไรมาอวดมาอยากเอา เพวไม่ทุกเนี่ยมาอ้างกันเพืไม่เป็นไรชีวิตสุดยอดคือไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่เป็นอะไรกับมันเลยงานลัสังขาหลวงพ่อคําเขียนสุวรรณโนจัดขึ้นระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง6กันยายน2557ณวัดภูเขาทองตามความประสงค์ของหลวงพ่อ ที่ขอให้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายไม่เอือกกะเลิกไม่ขอรับพระราชทานเพลิงศพศาสนาพิธีให้เป็นไปตามความเรียบง่ายพอเหมาะพอดีและให้ความสำคัญแก่าศาสนาธรรมให้เต็มที่ถ้าบอกว่าวาระสุดท้านท่านก็คือที่ที่วัดนะและ้วท่านก็ก็เขียนค่้าห้เป็นคำสั่งเสียภาษาสมัยใหม่ก็เรยกวิ i ลิ w วิวนะพิัยกรรมชีวิตวันเนี่ย ว่าถ้าท่านอาการเพียมหนักจนตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยนะก็ขอให้เดี๋ยวไปยื้อท่านของพ่อท่านเป็นแบบอย่างคนที่พร้อมจะยอมรับความตายนะเมื่อเวลามาถึงนะในระหว่างนี้ท่านก็อ่าประคองสังขารไปเท่าที่เหตุปัจจัยยังอำนวยนะ แล้เมื่อใดก็ตามที่สังขารไม่ไหวแล้วเหมือนบ้านที่กำลังจะผุพังก็ปล่อยให้มันผุพังไปไม่ต้องไปยือ้อไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะท่านสั่งไหม้หมดนะรวมทั้งว่าเมื่อท่านรอลุนิาพานเราจะจ ะ, จะทําพิธีศพอย่างไรไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ยุ่งยากนะไม่ให้ลําบากนะ ต, ตัดพิธีกรรมต่างๆที่ไม่จเป็นออกไปมากมายท่านสั่งแล้วท่านสั่งเสียไว้ ไม่มีการขอพระราทานเพลิงสพอะไรทั้งสิ้นนะให้ให้จัดไปอย่างที่เรียกว่ากอบภาระความเดือดร้อนแก่ผู้คนให้น้อยที่สุดแต่เป็นประโยชน์ในทางธรรมให้มากที่สุดพิธีประชุมเพลิงสรีและสังขารหลวงพ่อคำเขียนจัดขึ้นในวันที่6กกันยายนณเมนวัดภูเขาทอง ในวันนั้นคณะสงฆ์สายงานหลวงพ่อเทียนพร้อมทั้งพระเถราลุเถระในจังหวัดชัยภูมิและญาติธรรมจากทั่วสารทิศ ต, ต่างมาร่วมงานเป็นจำนวนมากแม้จะมีฝนตกหนักในบางเวลาก็ตามในค่ำคืนที่เพลิงกำลังเผาสตีละสังขารของหลวงพ่อ เหล่าลูกศิษย์ต่างปฏิบัติเนศชิกบูชาหรือปฏิบัติธรรมโดยไม่นอนตลอดทั้งคืนจนสว่างพอถึงรุ่งเช้าคณะสงฆ์ได้ทำตามที่หลวงพ่อลิขิตไว้โดยนำอธิส่วนหนึ่งของท่านไปบรรจุไว้ใต้ฐานธรรมจัการ์ณลานหินโค้งวัดป่าสุขโตเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้กราบไหว้และน้อมนาธรรมที่หลวงพ่อ ได้สั่งสอนไว้สถิตยอยู่ในใจรู้สึกตัวรู้ซื่ อ, อไม่เป็นอะไรกับอะไรแม้หลวงพ่อคำเขียนจะละสังขารไปแล้วหากแต่ธรรมะที่ท่านเคยสอนยังคงดำรงอยู่เสมอท่านไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญา ไปกับท่านด้วยไม่ได้เอาสติไม่ได้เอาความรู้สึกตัวไปจากเราไม่ได้เอาศัจธรรมที่เปิดทางสู่ความพ้นทุกขไปกับท่านมรดกธรรมทั้งหมดเหล่านี้ยังคงมีอยู่และรอให้พวกเราค้นพบเข้าถึงและใช้ประโยชน์ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพ่อเพียรสอนมาตลอดชีวิตสิ่งที่เป็นแก่นธรรมเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่และจะอยู่ตลอดไป